เมื่อนี้เป็นวันมงคลมหามงคล น, นะออกตนญาติโยมพี่น้องเก่ามาเยี่ยมวัดหลวงพอ่อหลวงพ่อเจอความคิดความเห็นเพื่อประดับสติปัญญาของพวกเข้าทั้งหลายพวกเขานับว่าได้เป็นผู้โชคดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย ปฏิรูปประเทศววะโสจะปุพเพจะกะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจะคือความหมายในความแปลในพระบาลีในี่เป็นกวาปุพเพกะตะปุญญาตาพวกเข้าเคอคือจะได้ทำความดีคุณงามความดีไว้ในอดีตในชาติก่อนมาแ้ไปจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเป็นพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีทุกมี ลำบากในการเป็นอยู่แผ่นดินก็นมีไหวน้ําก็มีท่วมไหลดินฟ้าอากาศก็ไม่ได้เบียดเบียนพวกเขามากแต่เป็นพวกเข้าเป็นผู้มีบุญจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยนอปุพเพจจักตะปุญจักตานั้นให้พวกเข้าเพื่อตั้งตนเพื่อดีได้บาตรนี้นะอปุพเพจจกตะปุญจัตานได้ทําความดีไว้ในปางก่อน อัตตะสา ม, มาปณิธิก็พวกเขาตั้งตนไว้ให้ชอบบา้างเมื่อมาเกิดในสถานที่ดีแล้วเฮาอยู่ตั้งอยู่ในความประมาทกินเหล้าเมายาไม่ได้สนใจธรรมะธรรมคำสั่งสอนประพฤติตนบอดีนไปบ่มีศีลธรรมในจิตในใจแขนเฮ้าตั้งตนไว้ไม่ดีเฮ้าอาจจะตกต่ําก็ได้ได้ต่อไปพ่ายภาคนาเพราะนั้นพวกเขาให้ตั้งตนไว้ให้ชอบมันไป เ, เมื่อมาเกิดในสถานที่แห่งนี้แล้วบุญกุศลได้ส่งมาเกิดแล้วอพวกเขาก็ควรจะประกอบคุณงามความดีเพื่อนักแน่นขึ้นอแต่บางคนบางกลุ่มพวกเขาในยุคสมัยนี้ความเชื่อในจิตใจเอความเชื้อความในจิตในเจอของเขาเนี่เขายังคิดว่าเอตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญคาว่าตายแล้วเกิด ก็มีมันเจอคันตายแล้วศูนย์เฮาก็มีมันเจอเพราะว่ามันทั้งสองอย่างบางคนกับว่าตายแล้ววะว่ยเห็นคนมันมาเบาะเฮาตายแล้วมันตายแล้วก็แล้วไปมันก็ศูนย์น่ะสิเอ้มันสูดอิริบละวาคันศูนย์นี่เดียวเข้าปีญานผีเอเสเพลาบะเนี่ยเอ้มันที่มีผีกับมันเพราะมันมีศูนย์อะมันเป็นวิญญาณอยู่น่ะไอันนี้ก็คือความ โบเนเจอของพวกเข้าทั้งหลายคือกันแต่ถ้าหาว่าเราเข้าใช้ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าของเข้าพาดําเนินมาและพาปฏิบัติมานี่เป็นแนวแถวที่พวกเข้าควรศึกษาลงไปควรศึกษาแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติคนยุคนั้นสมัยนั้นหลวงพ่อว้าเนี่ยนะเขาก็คือสีสงสัยคือคือเดียวก็พวกเขาเนี่แ่ะคือเขาก็คือสีสงสัยคือกันพ่ะว้าพระพุทธเจ้า กองเฮาเนี่ยเพ้นเสวยราชจู่กุงกบิลพัฒนอายุยี่สิบเก้าปีเพ้กกนพพก็คงจะได้ศึกษาคงจะได้ยินได้ฟังนักปราชญ์อาจารย์คนในยุคสมัยนั้นเขาก็คงจะโศเลเดี่ยวขึ้นเดียววันออกไปบอกว่าเอคนเฮาเนี่ตายหรือเกิดหรือตายแล้วศูนย์นะอ อ, อย่างนี้แนะ่ะแต่เนี้ยพระพุทธเจ้าชิทตทะเพ้นก็ครองราชอยู่สมัยนั้นนะ่ะเพ้นก็ไปเห็นคน แก่คนเจ็บคนตายวันโน้ไปไปเห็นคนแก่ก็สลดชังเวทใจเออคนเห่าหนิแก้แล้วก็เห็นค้นเจ็บอีกแล้วก็เห็นคนตายอีกตายแล้วจะไปซเลยอีบ่เนี่ยพ้นก็มานั่งคิดของเพลิอนอีกพ้นก็เดยไปเห็นสมณะคือนักบวชอยู่ตามลําพังนั่งอยู่นั่งอยู่เงาต้นไม้อยู่วนโน้นไปค้นนั่งอยู่เงาต้นไม้เพล่นก็คิดว่าเออสมณะ มีช่องทางที่จะมีแนวความคิดตามลําพังอิสระในแนวความคิดของเจ้าของใดคันว่าเห่าอยู่ในเมืองอยู่ในเวียงในวังนี่กับว่ามีว่ามีอิสระในแนวความคิดเพราะว่าภาระตุละมากมายจะต้องทําบริหารประเทศชาติบ้านเมืองจะต้องดูแลประสบในก่อนของพระ อ, องค์คันว่าเห่าหนีไปบวชหนีไปอยู่ในป่าสักไปรบอยู่ในป่านี่ อาจจะมีช่องทางที่จะคิดหาช่องทางที่จะมาจะแก้ไขที่ว่าเฮ็อโนเลอร์พอนออกไปซิมีแก้มีเจ็บมีตายเออสิทธะก็คิดจุดนี้ขึ้นมาคิดแนี่ยข้นไม่คิดพอนออกไปเออคิดแนี่ยข้นไม่คิดถ้าฮาวก์เข้าเขาคิดเบียงเดียวนี้พอนออกไปมาได้เพื่อนกันนี่จะเวียงว่างไปตามลําพังไปกับ น, น, นายชนะพอกไปขี่ม้าคันตะกะเอหอห่อตะพุทธเพื่อแล้วพอกไป แล้นอยู่มัดคืนจะไปหอดแม่น้ํำอ่เพื่อ ก, ก็เลยทํำองผมได้บวชทาตนได้บวชนี่แหละอันนี้หลวงพ่อสี่มีอธิบายให้กวางขวางจุดนี้เอาหนไปพ่อไปบวชแล้วบาดเนี่ยเพลินกระบาเพ็ญอยู่ในป่าของเพิินละบาดล่องพิษล่องถูกล่องถูกข์ลองพิษเป็นฤกษ์ีชีไพ่มองเล่มมอมองดีพเพื่อกระ้องไปศึกษาเอาหน่งไปอ่ไปศึกษาเราก็มาทดลอง ไปศึกษากับดาราดดาบดอุตกาดาบดสองหรือสี่อยู่ในถิ่นนั้นสองหรือสี่นี่ก็เป็นที่ยกย่องเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้นว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิเป็นผู้มีชาติมีญาณทัศนะทั้งสมาธิสมาบัตตวนไปวานนี้เพิ่นไปศึกษาเพิ่นก่อนยังมียังมีทันแมมนทางอยู่เพิ่นก็เลยกลับมาบำเพ็ญตามลําพังผู้เดียวบัดทดลองผู้เดียวเป็นเวลาอยู่หกปีโยนไป ถ้าจะว่าไปก็แบบพ่นผสมสารเคมีลงไปอาสารเคมีที่จะทำลายกิเลสเสีเอาแบบเลวร์ลงไปผสมแล้วผสมอีกทดลองแล้วทดลองอีกวั น, นไปแบบเขาทดลองวิทยาศาสตร์นั้นแหละบาปนี่พ่นก็ทดลองอยู่หกปีได้สูตรวันไปเมือเ่อพ่นจะได้สูตรเนี่ยพจนเอ็ดโนลเลอร์นี่อันนี้มนานาศึกษาในบาปนี่พจนเอ็ดโนลเลอร์มือ่อพ่นได้สูตรสูตรสําเร็จนะ่ะ สูดสูดสำเร็จเพื่อนได้สำเร็จนเพื่อนเอ็ดโนเลอร์นอนไปเพื่อนนั่งสมาธิเพื่อนว่าอในวันเดือนหกเพ่นคงจะเป็นวันซิบซี่ค้ำตอนตอนแรกนอนไปอวันซิบซี่ค้ำตอนแรเกเคยเคยจะคำ้ำนอนไปนายโสธิยะมีคนพนึงนอนไปก็ะเมาบ้านเฮาเข้าไปชาวบ้านตาโสธิยะหักยาข้ามผลานมากคงจะข้างละซี่กับมือมั้งมาหอดมองห้างใน เห็นสิทธะนั่งอยู่ตามลําพังอยู่เงากกโพไปอกกโพง่ายพอพนังอยู่บานี้เงาโพห้องก็เห็นได้เป็นบัวตะปุมตะปั๊ฮะเป็นหากรลอยได้หัโพนะบาทยี่งนายโซติยะก็เลยเห็นว่าสิทธะนั่งอยู่ตามลาพังคือชีนั่งไม่สบายมั้งเพลินก็เลยเอายาคาเนี่ยแปดกับมือเอามามอบเพออ่วนไปเอามามอบเพอสิทธะวนไป ศิทฐาเพิ่นก็ะเด็นยาค่าแปดกำมือมันไปมาเพิ่นก็ม า, กมากเกียลงเงากโกโพฮันนะมองนังเพิ่นมันไปพอเกียรเสร็จเรียบร้อยเพิ่นก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่พอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบ่ายนี่พระอาทิตย์พระอาทิตย์ยังไม่อจจริงคืออจจริงในพระอาทิตย์คือยังไม่ตกดินมันลงไปพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินมันลงไปแต่ว่าคําเต็มที่แล้วมันลงไปบ่ายนี้เพิ่นหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้ว เพิ่นก็นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงสรุปแล้วก็คือนั่งสมาธิอย่างพวกเข้าเห็นพระประธานนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละเนี่ยที่ต่อหน้าเขาเนี่ยเพิ่นนั่งแบบนี้แหละนั่งคัตสมาธิเนาะไปขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวมีสติในลมหายใจเข้าออกนั้นๆอันนี้คือมือเพิ่นจะได้สําเร็จเด้อันนี้ล่ะเธอพวกเขาจำไม่ได้เวลานั่งภาวนาหรือเวลาปฏิบัติพระพุทธเจ้าเอ็ดนุเลอร์เพิ่นยังได้สําเร็จตัวลงไปกับเพิ่นนั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้บอกเนี่แหละจากนั้นมาเพิ่นกับกาหนดลมหายใจเขาออกอย่างเข้มแข็งหมดลงไปกำหนดเบังอย่างเข้มแข็ง นี่แหละในบุคลาธิฐานเนี่ยบุคลาธิฐานคล้ายๆกับว่าในคณะที่เพิ่นนั่งสมาธิอยู่นั่นเนี่ยพระยาม่านเซนาม่านวันออกไปเข้ามาลา่าวี่ต่อสู้กับเพิน่นหมดออกไปอย่างอุตรลดตัวออกไปเอออันนี้ก็คือบุคลาธิฐานถุงพอว่านะคล้ายๆกับว่าเมื่อเพิ่นนั่งคัดสมาธิเข้าไปแล้วตามปกติคนเข้ามันบอ่อละนี่จากบ้านนี่จะเพื่อ ม, มาตั้งหกปีถึงขนาดนั้นอนะ่ะเพิ่นต้องคิดถึงขอบถึงขั้วของเพิ่นได้ อถึงพ่อถึงแม่ถึงอัคคะมาเหสีถึงลูกถึงบริษัทบริวารสนมหน้ารี่เอถ้าหาันสิ่งแวดล้อมอเครื่องอำนวยความสะดวกของเพิ่นวนลไปนี่แหละอันนี้เพิ่นวัจจ์ว่าเป็นพยามารเด็อพยามารเขามาเข้ามาสู้เจอของเพิ่นวนออกไปสู้กับเจอของเพิ่นเจอของเพิ่นก็วันไหวเห็นพยามารมาสู่วนไปทั้งปวดแขงปวดขากระเท่ากันวนออกไป อปวดแข้งปวดขาเวทนามันมันขึ้นมาเด็นั่งตันหาราค่าอรอรดีนั่งราค่าเนี่ยนั่งตันหานั่งอรอรดีให้เข้า่าจิตเจอของเพื่อ น, น่วันไว้ไกวแกว้งไปทั้งกามกิเลสคนนั้นไปเออพยาม่านเนี่ยเป็นพ่อของนั่งตันหาราค่าอรอดีคนนั้นไปเข้ามายังชิงบันลังของมันเฮ้ยมันอ่จะบันลังคนนั้นไปนี่ นี่ละพระพุทธเจ้าของเฮาศิรทาพนตั้งจิตอธิษฐานแบบแนวแออน่เออไปด้วยจิตอธิษฐานด้วยชัดจาะปรมีของพระองค์ทั้งบำเพ็ญมาในอดีตชาติทั้งหมดทั้งปรมัตถรปรมีอุปปรามีปรามีธรรมดาออ่าเอาทั้งสามซิบทัศมาซ้อยเดอร์พลักษณะนั้นออกไปประมวลออกมาเท่าไปมันก็ได้เป็นนั่งธรณี บีบ ม, มวยผมวนออกไปมาซอยพคนคือสัจจะบา ร, รมีคือเมตตาบา ร, รมีของพระ อ, องค์เอด้วยความมุ่งมันด้วยความตั้งใจของเพื่นอย่างแน่วแน่ววนไปเออเหมือนกับเป็นปุทคลาธิฐานเป็นน้ำพระทัยของเพืน่นบิด จ, จากมวยผมมาท่วมพวกพญ า, ามารทั้งหลายเซนามารทั้งหลายจางหายไปวนไปพระ อ, องค์กับมีแต่จิตแน่วแน่เข้าสู่สมาธิบาดเอยพอจิตเขาแนวแน่เขเ็ไปสมาธิจิตเป็นนึ่งวนไป เ่อจิตเป็นหนึ่งจิตสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณญาณทัศน์ละลึกชาติโหนหลังไดไวันหนึ่งไปนี่แหละจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญเนยคนเฮาทวักตายแล้วศูนย์เลยมีได้แก่จิตแก่เจอสิบําเพ็ญคุณงามความดีได้คนเฮาเมนบ่ละเพราตายแล้วศูนย์จิตเอไปเอสไปเพอเอสไปเกิดทิมไม่จะซื้อวันห่งไปเออตายแล้วศูนย์บ้าปุ่นคุณโทษบะมีเนยเอดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์วันหนึ่ไปตายแล้วศูนย์เอสไปเพอ เอสไปอะไรก็เหมือนกระทิมลงน้ำมันศูนย์ล่ะมันดับ่ะเพราะพระเทเจ้าพนบอกว่าตายแล้วมีศูนย์ด้วยพลมาปุพเพเนียว่าสานุสติยานตอนหัวคําเนี่ยเพื่อระลึกชาติทูลหลังใดเระลึกชาติทูลหลังว่าชาติที่แล้วเี่ยเป็นหยังชาติที่แล้วเนี่ยพนเป็นเทวบุตรอยู่สันตุเซศ์อ้อเจ้าสุตสันตุสิต์ก่อนพระพันเป็นเพลอือ เ, เป็นพระเวสสันดรเพื่อ น, นไหลไปใ น, นได้รือ ออกจากพระเวทสันดรเป็นแบก็ไล่ไปแล้วพนมไปไลไล่ไลไล่เลี่ยงเออจนมาหอดชาตินี้พนมเพราะ่าตายแล้วไม่ได้สูญมันเป็นท่ามาอยู่พนไปแต่ไล่เป็หอดพุ่นอ่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ปังก่อนพุ่นอ่ะพญาก่อนเพลินพนมไปเออสมเยท่าดาบพุ่นอ่ะพอ้สมัยท่าดาบพผู้นี่แหละจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตซื้อว่าพระเจ้าโคตรธรเด้อพอซื้อเอสุดโทธนะเน้อ แม้จะซื้อศิลีมหามายาเนอร์อคัมเหสีทิมผ้ายโสทราเนอร์ดุไซซื้อปลาหุ่นเนออคัสสาวกซ้ายขวาหมกคลาสารีบุตรเนอร์พุทธอุปทาคพระอร้นเนอร์นี่บำเพ็ญปัญญาธิกะเนอร์พระพุทธเจ้าที่ปังกอง่อนเพิ่นพยากรสุเมธาดาบดไว้แล้วคนละไปนี่แหละจากนั้นมาเพิ่นกับบำเพ็ญมาเลยเล์ยเย์เมาจนถึงมัน มาถึงยุคนี้เพลินก็ได้ตัดสรุปทำเพราะฉะนั้นตายแล้วมีศูนย์ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนตามหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นออกตัวญาติโยมลูกหลานทุกคนนะออันนี้คือจุดหนึ่งวนไปจุดที่สองบ้านคานาวาพวกเขาอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูย์ให้พวกเขานั่งภาวนาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าเพลินปฏิบัติมาเพลินก็ไม่ได้บอกสังวนลิขสิทธิ์ไว้ได้เอเราปฏิบัติเนี่ยนี่เนี่นี้ห้ามผู้อื่นเอ็ดตาะ เพิ่นก็ไม่ได้วา่าพวกเอา้าซีเอสตามก็าได้วันนั้ไปเอสตามที่พวกพุทธเจา้าผ้าเอสเนี่ยนั่งคัดสมาธิกับนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธพุทโธในเจอเป็นอะไรเลยอย่างเข้าเข้าอย่างว่าพุทธโธพร้อมเพราะว่ากับนดลมหายหายใจธรรมดานี่ยมันสั้นโพดวนไปหลวงปู่มันของเขาเพิ่นเลยว่าให้บริกรรมพุทโธเขาอีเดอร์เพื่อให้มันเงี้ยวขึ้น <iese S 1> อันน right. ี the the ้เพิ Bam ่อกรเลยให้บริกรรมพุทธโธว่ะเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยไจนจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเข้าสี่หูได๋บาทเนี่ยเข้าสิหูได๋ด้วยตัวตัวของเข้าเองตัวเข้าเองจะรู้เห็นด้วยด้วยตัวเองเลยว่ะร้างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละแนวเด้บาดเนี่ยเป็นคนละย่างเป็นคนละยางกันหมดไปแต่อาศัยกันอยู่หมดไปร้างกายของคนเข้าเนี่ยครับจิตใจนี่ยเป็นคนละอัน นามมทธรรมกับรูปประธรรมนามมะธรรมเนี่ยคือจิตเจอเอือผลลงไปเอเจอของเห่าน่ยคือนามมะธรรมส่วนร้างกายของเหาเนี่ยเป็นรูปประธรรมแต่มันอาศัยกันอยู่ถ้าเปรียบเทียบพอเห็นอย่างชัดๆก็คือร้างกายของเห่าคือกันกับรถผลไปเออร้างกายคือกันกับรถแต่รูปนามมะทธรรม <mejor> คือกันกับคนขับรถคนขับรถขับรถอาศัยกันอยู่ผลไป คานวโคตรมีขับรถรถมันกลับไปไม่ได้วนออนไปคานาว่ารถมันเสียเอ่อรถมันเครื้งเสียฝีมือโซ่เฟอร์ดีปลดเลิบมันก็ขับรถไปไม่ได้เพราะเหตุไดเพราะรถมันเสียวนออกไปนี่แหละมันอาศัยกันอยู่วนออกไปร่างกายกับจิตใจเนี่ยกับเจอของเข้าเพราะฉะนั้นพวกเข้าให้ศึกษาเนอให้ลงมือปฏิบัติให้ภาวนาบาดได้บาฮาตายไปในร่างกายตายได้บาดเนี่ย ร่างกายตายแตกสลายแน่นอนมีเป็นอย่างอื่นหมดไปแต่ส่วนจิตเจอนะั่นนะของเฮ้าเนี่ยไปปฏิสนธิได้ไปหาเกิดในพบภูมิต่างๆได้บา้างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าสนเจือเลื้งเรืง้เรงเจอเือหมงไปเลื้งเจอมนุษย์เนี่ยหมดลงไปไม่ได้สนใจเรื่องอื่นหมดไปแต่เรื่องร่างกายสังขารนี่ต้องแต่ตายสลายแน่นอนมีเป็นอย่างอื่นหมดไปเกิดม า, ถาเถอดตายมัดเกิดมาร้อยตายร้อยเกิดพันตายพัน เกิดมาเถิดตายทุกคนเออไม่ได้พูดจีละเว้นใดแต่ว่ายิ้ดเจอของเฮ้านี่พ่อตายไปแล้วเกิดอีบาดเนี่ยเออบกปนเวียนยวัดตบนไปหาเกิดเกิดในวัดตะสงสารเนี่ยคือกันกับเอหมดใต้ครอบกละมังอย่างนั้นอนะ่ะหมดใต้ครอบกับบาดเนี้ยนะใต้ไปแต่มาอม้อมมันก็ว่าไหมอยู่เลยแต่ตามไม่จริงมันมีไหมได้เออมันมอ่ไหมมันไปแต่มันอ้มนอมอยู่นั้นอนะ่ะ มันว้นไปบัตบนบาต้จีเอสน้วเลยสิมีให้มันว้นมันเพราะพูดได้เจ้าเพิ่นมีวิธีเด้เพิ่นศึกษาอยู่อย่างที่วา น, น่นี้ยไอตอนที่เพิ่นผสมสารเคมีอยู่ในตน้นโคนตนน้นโพน่ะเพิ่นได้สำเร็จเพิ่นได้สําเร็จเพราะอันเพราะเพลเลอบาตเนี้ยออาสาวัคคยะยานยานอย่างรู้ว่าตัดกิเลสราคฆะโทสะโมหะออกจากจิตเจือของเพิ่นไอเครืองที่จะหมุนเวียนคือหยัง่งคือราคะ ความคำนัดยินดีความหลักความใคร่โทษสะคือความโมโหโทษโส ổ, และ ก, ลก็ความโลภความโกรธความหลงความหลงเป็นพื้นฐานตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจะยาสังคาราณอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารวิญญาณเกิดพบฌาติจรามมรณะโสกะปริเทวทุกขโทมานัสสูคล้ายว่าวิญญาณตัวนีนะ้เกิดมาจากตัวอวิชชา เพราะนั้นที่เอสเขาเลยจีไม่ให้มันวกวนเวียนมาเกิดอีกคันวกวนเวียนมาเกิดอีกมันก็ต้องเป็นทุกข์เอกนี่แหละบัด น, นี้พระพุทธเจ้าเพิินค้นคว้าอยู่มองหันเราลงไปเออก็ยังตัดกิเลสราคะโทษสะโมหะของเพิินจนได้เป็นสยามภูรู้แจ้งโลกมีมาเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารนี่แหละขอให้พวกลูกหลานออกตนญาติโยมทั้งหลายเนะ้อตายเลยมีสูนเน้อตายเกิดอีกนะ เป็นเอเลอร์หลวงพ่ออินยังในบัดอยู่เลื้อยเพราะว่าหลวงพ่อไปเห็นคนในยุคสมัยนี้เอพวกเรียนสูงสูงทงางไล่โดยมากเป็นนักเรียนนอกมาจากนอกทางหลายแหละมีแต่คึดเดาเอาตัดสินใจด้วยตนเองเลยไม่ได้ศึกษาอาไปคันศึกษาตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาศึกษาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าผ่าศึกษาแล้วมันจะต้องจะต้องเจอแต่ต้องเห็นต้องทําจิตเยอะให้สงบสก่อนจึงจะรู้ได้ อวิธีทางเดินของจิตนี่คือพิเหลอร์นไปจะรู้ได้ด้วยญาณทัศนะของเจ้าของคานาวาพวกเข้าเคยเดา ว, วะะ่าล่ะเดาสิ่งต่างๆเดามามากต้มากพิษต้องพิษเนียขนาดเดาซื้อเลข ก, ก็ยังมีทือ่อยังมีเกศมีลาภวนลงไปแล้วเดาโน่อื่นละ่ะมันถือว่ามันถือ่อขุนเอวอะมันมีทื่อเด้ความจริงแนวเริ่มมันก็ต้องจริงแนวนั้นวนลงไปมันมีพิษเพี้ยนไปแนวอื่นอันนี้คือเดียวน่ะเท่าเดาว่าตายแล้วศูนย์เลยแต่มันเกิดล่ะจิตเดาเลอะะบาดนี่ย เข้าใดพิสูจน์บังบแลาบวลาคือใดซื่อนี่แล้วบวไ ด, ออวไดเอมันต้องพิสูจน์จะกก้อนแหมหนังสมาธิบังก่อนแมจะค่อยเวอลได้ชัดเจนวันไปขันเข้านั่งสมาธิจิตเจ อ, อยังมีสงบนี่เข้าจะเป็นเดาใน น, นนั้นมีได้วันไปเพราะนั้นพวกเข้าทางหลายเนะื้อออกตนญาติโยมทั้งหลายที่หลวงพ่อเว้าลหูฟังนี่กัเพื่อตั้งอยู่น่ให้พวกเข้าตั้งอยู่ในความบวประมาณเพื่อสั่งสมบุญกุศลเอาไว้เสยจิตเสื้อเจอเอาไว้ อย่งบุญกุศลนั่นน่ะจะพาพวกเข้าไปสู้สุคติคันนว่าพวกเข้าประมาทอยู่แต่ตั้งในความประมาทไม่ได้สร้างสมบุญกุศลเอาไว้ในเซจิตเซเจอร์นะพ่อตายไปจากชาตินี้แบบตกทุกข์ในยะล่ะเด้แอบพะว่าเฮาไม่ได้ทุนวันนี้ไปแต่แนวเลิกพวกเข้าทุกคนน่ะหลงพ่อไปเฉยๆลงพ่อก็บอกเออลูกหลานเอย อ, ออกนตนวะเนี่ยโยมเลอพวกเขานี่หลอกอีสระอยู่เด้อ่ะ อพอเกิดมาเขาเขียนวิสาไปเฮ่อล้วเด้อมื้อดีขึ้นดีเขาจิ๋ทรงวิสามาเฮ่อเห่าบาวนี้เฮ่าจะได้เดินทางตั้งประเทศทุกคนเลเอ่ไม่ได้ละเบนพุน่นถึงพลเอ๋อเด้บางที่กับกับไว้บางที่กับกับนานบางที่กับบางคนกับกับเท่าแก่ยังค้อยกลับอไปต่างประเทศกลับบ้านเก่าอาไปการห้าว่ากลับไปแล้วบ้านี้เฮ่าไม่ได้หาทุนเอาไว้เฮ่าไม่ได้สร้างสมบุญเอาไว้เออ ครับไปกันเนี่ยแหละมิตะทุกต ย, ยะได้บาดเนี่พระเขาไม่ได้เตรียมการเอาไว้คณะว่าพวกเข้าเตรียมการเอาไว้ให้ท่านบ้างรักษาศีลบ้างภาวนาบ้างนะแอบฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลภาวนาปฏิบัติอย่างที่ลงพาะเดวัลนี่ยก่อนรับก่อนนอนก็ไหวพระโสดมนนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธเนี่แหละเป็นการฝึกหัดทางด้านคิดเจอของพวกเขา้าพวกเข้าจะประสบความสงบความลมเย็นเป็นสุขนะคณะว่ า, าวพวกเข้าไม่ได้คิดไม่ไม่ได้อ่านไว้ วันนั้นเขามาถึงนั้นน่ะเออมาลาะไพ่เข้ามาถึงนะบาดนี่จิตใจว้าเหวอ้างวางังเงียบเหงาซึมเศร้าและบาดเนี้เออแกมีตกว่นานั้นไปเอสนั่เลื้บาดนี้ทุรนทุลายกระซับกระสายวนันไปเยาะร้องให้ก็มีแม่นชี้หัวเลาะก็มีแม่ น, นมีแต่ทุกข์ในจิตทุกข์ในเจออันวันน้นไปหอดเมื่อนั้นมาถึงเข้าแกไขไม่ได้เลยสถานการณ์แบบนั้นเพราะนั้นให้พวกเข้าเตรียมการไปก่อนเต้นเนิ่น ๆ, ๆวัน้นไป ให้คิดไว้ก่อนเตนเนื่องคนที่คิดไปก่อนเน่ยจะมีดีกี่กว่าคนที่บกคิดผัวอ่านอ้อย่างค่านว่าพัวเขาได้คิดไปแล้วเตรียมการไปแล้วนะนั่นแหละที่นี่ไปชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเฮาก็ไม่ทุกเจอได้เพราะเขาได้เตรียมการไปแล้วคือการกับเขาที่เดินทางไปต่างประเทศนั่นนะเอา้าเจ้าจะได้กลับไปตั้งประเทศได้เออครับก็บคับเสร็แล้วเงื่อนเต็มกระเป๋าอยู่เ่ยบ่มีปัญหา่ะไปเิเลอเกิด ใช้ใจไปเลยอบัตรเครดงบัตรเครดิตเตรียมไว้พร้อมแล้วไปได้อันนี้ก็คือคนเตรียมพร้อมมันหมดละคันคนมีเตือนพร้อมเลยมีแต่กินเหล้าเมายาสุลานารีซัมเลเทเมาบานเอาเจ้าเชได้กลับตั้งประเทศ้ตายเฮ็ดจังใดที่ขายอยัางขายพระท่านนะบานนี้เมื่อวันเมื่อล้วเจ้าเชได้กลับได้เหบานนี้เฮ็ดจังใดบานนี้ข้อกลับไปหอดพูนบาดนี้เงินพ่ติดกระเป๋าไปนํั่อเฮ็ดจังใดล่ะบานนี้ มีแต่ถูกกับยาได้บัด เ, เพรา ะ, ะนั้นพวกเขาให้เตรียมการไนะ่เน้อออกตนญาติโยมทุกครูทุกคนสั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าประมาทาวาันนี้หลวงพอ่อได้วาแนวความคิดเพื่อออกตนญาติโยมได้ฟังเพื่อประดับสติปัญญาเป็นข้อคิดติได้มากวัดหลวงพอ่อโดยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเข้าทั้งหลายปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สำเร็จสมความมุ่ง ม, มาดนปาถนาทุกประการเทิน